บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปการเจริญกรรมฐานในข้อากายานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการตั้งสติตามระลึกดูกายของตนนั้นพระพุมีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงจำแนกจุด ที่ควรดูไว้หลายนัยยะด้วยกันเรียกว่าปภะซึ่งแปลว่าหมวดหรือกลุ่มของธรรมะนั้นๆทั้นทงนี้ก็เพื่อต้องการจะถ่ายถอนความยึดติดด้วยตัรหาจริตที่มีอยู่ในกายตนและกายบุคคลอื่นของผู้ประพฤติปฏิบัติเพื่อจะเกิดความรู้ความเข้าใจ ถึงความจริงแห่งกายตนและกายบุคคลอื่นว่าการที่บุคคลไปยึดถือไปกำหนดหมายว่ากายนั้นเป็นของสวยงามน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจนั้นโดยสภาพที่แท้จริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นแต่ว่าทุกข้อทุกหมวดทรงสอนให้ตั้งสติและสำปราชนะ หรือสามปชัญญะรู้พร้อมในแต่ะจุดจนจิตมีความสงบอยู่ในจุดนั้นๆปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นจริงก็จะค่อยๆบังเกิดขึ้นภายในจิตและจะสามารถถ่ายท้อนความยึดติดโดยนยะดังที่กล่าวแล้วได้ทรงเริ่มข้อแรกด้วยอนาปานะปภน ที่แปลว่าหมวดว่าด้วยการดูลมหายใจเข้าและหายใจออกที่เรียกว่าอาณาปานสติอาณาปานสติกรรมฐานนั้นได้ศึกษาและปฏิบัติกัดมาโดยลำดับเฉพาะในที่นี้จะกล่าวถึงส่วนที่เป็นอานิสงส์สีก่อนคำว่าอานิสงส์คือผลที่เกิดขึ้น จากการปฏิบัติความดีและคำว่าอนิสงส์นี้จะใช้เฉพาะผลแห่งความดีเท่านั้นไม่หมายถึงผลแห่งความชั่วคือความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยทรงแสดงอนิสงส์ของอนาปานสติกรมฐานที่บุคคลอบรมกระทาให้มากแล้วว่ามีผลอนิสงส์ที่สามารถสัมผัสได้ ในปัจจุบันถึง5ประการแต่ว่าโดยหลักการปฏิบัตินั้นให้สังเกตว่าทรงใช้คำว่าอบรมและกระทำให้มากผลอานิสงส์เหล่านั้นจึงจะเกิดขึ้นอานิสงส์ข้อแรกนั้นทรงใช้คำว่าสันโตคือมีความส ง, งบรากฏปรากฏเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติ แท้ที่จริงแล้วธรรมะขั้นของกรรมฐานนั้นเป็นเรื่องของสมาธิหรือเรื่องของจิตสิกขาแต่ความสงบที่ทางพระพุทธศาสนามุ่งหมายนั้นหมายเอาความสงบกายสงบวาจาและสงบจิตกายกับวาจาเป็นเรื่องของศีลเนื่องจากศีลเป็นภาคพื้นเป็นรากฐานสําคัญแห่งสมาธิ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้กล่าวไว้ในที่นี้โดยตรงก็ตามแต่ในชั้นของการปฏิบัติผู้ปฏิบัติจะต้องเข้าใจว่าในขณะบำเพ็ญเพียรทางจิตนั้นเรื่องของศีลบริสุทธิ์มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะศีลที่บุคคลรักษาสมาทานดีแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิคือความสงบในทางจิตขึ้นความสงบ ในที่นี้พึงสังเกตว่าเกิดขึ้นได้แม้ในขณะที่สติระลึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกของตนการดูลมหายใจเข้าออกในชั้นของอนาปานาสติกรรมฐานนั้นทรงใช้คำว่าประชานาติแปลว่ารู้ทั่วคือรู้อยู่กับลมทุกขณะจิตไม่พลากไปจากลมไม่เผลอเรอ บางเกิดขึ้นในขณะประพฤติปฏิบัติความประนีตความสงบในทางจิตก็จะบังเกิดขึ้นทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อใจกำหนดระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนั้นอกุศลธรรมเหล่าอื่นถึงแม้จะยังมีอยู่ก็ตามแต่ไม่อาจที่จะเกิดขึ้นปรุงแต่งจิตของบุคคลที่สงบ อยู่กับลมหายใจเข้าออกได้ทั้งนี้เพราะว่าจิตของบุคคล น, นั้นถึงแม้จะรับอารมณ์ได้เร็วได้มากก็ตามแต่ว่าในแต่ละขณะแต่ละขณะนั้นจะรับอารมณ์ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นเองถ้าหากว่าในขณะใดจิตประกอบด้วยอารมณ์ที่เป็นกุศลอยู่ในขณะนั้นอกุศลก็เกิดขึ้นปรุงแต่งไม่ได้ ในทํานองรงกันข้ามถ้าขณะใดาจิตประกอบด้วยอกุศลอยู่กุศลก็เกิดขึ้นปรุงแต่งไม่ได้เช่นเดียวกันเมื่อจิตของบุคคลมีสติระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกความสงบระงับดับกิเลสก็จะบังเกิดขึ้นในขณะนั้นๆคือหมายความว่าแม้กิเลสจะมีอยู่ก็ปรุงแต่งจิตทาให้จิตกระสับกระส่ายไป ตาอำนาจของกิเลสเหล่านั้นไม่ได้ความสงบจึงปรากฏเกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลและความสงบเหล่านี้จะเกิดขึ้นไปตามลําดับปริมาณของความสงบจะสูงขึ้นจนเข้าเป็นสมาธิเป็นฌานไปดังที่เคยได้กล่าวมาแล้วในข้อต่อไปทรงใช้คําว่าปณิตะแปลว่าประณีต จิตที่กำหนดระลึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นธรรมะที่มีอุปการคุณอย่างสำคัญก็คือความเพียรสติและสามประชัญญะดังที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อจิตไม่เหนียวนึกไปในภายนอกและไม่ถูกกิเลสเข้าครอบงำกรุ่มรุมในขณะนั้นๆลมหายใจของบุคคลผู้ปฏิบัติอนาปานสติกรรมฐาน ก็จะมีความประนีตขึ้นและมีความประนีตไปโดยลำดับจนถึงบางขณะผู้ปฏิบัติจะมีความรู้สึกว่าลมหายใจไม่มีและบางคราวคล้ายๆจะไม่มีจริงๆทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นความสงบระงับแห่งกายสังขารคือลมหายใจเข้าออกนั่นเองลมหายใจที่ประนีต จิตสงบอยู่ลมกับลมหายใจที่ประนีตก็ทาให้จิตของผู้ปฏิบัติมีความประนีตตามไปด้วยแม้ว่าจะกระทบอะไรบางอย่างถ้าหากว่าไม่รุนแรงเกินไปในชั้นของความสงบธรรมดานี้จิตก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจของอารมณ์เหล่านั้นและความประนีตแห่งจิตนี้ ก็จะมีปริมาณสูงขึ้นเช่นเดียวกันทั้งนี้สืบเนื่องมาจากผลแห่งการประพฤติปฏิบัติที่บุคคลได้อบรมได้กระทําให้มากจนในที่สุดจะเข้าถึงความปรณียอย่างสมบูรณ์ไม่มีสิ่งอื่นมาปรุงแต่งมาทําให้เปลี่ยนแปลงไปได้แต่ผลเช่นนั้นจะบังเกิดขึ้นได้ ก็ต้องอาศัยการพยายามประพฤติปฏิบัติไปตามขั้นตอนและผลเหล่านั้นก็จะขึ้นมาตามลำดับลมหายใจนั้นท่านแสดงว่าเป็นกายสังขารคือเป็นตัวรักษาเป็นตัวปลนปลือร่างกายของบุคคลให้ดำรงอยู่ดนั้นจะพบว่าในที่บางแห่งท่านจึงเรียกว่าปราณหรือชีวิต เพราะว่าคนเราตราบใดที่ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ชีวิตของบุคคล น, นั้นถึงแม้จะมีอวัยวะร่างกายพิการหรือขาดหายไปบ้างก็ตามแต่ชีวิตของบุคคลยังมีอยู่เมื่อลมหายใจหมดสิ้นไปแม้อวัยวะจะยอย่างอื่นจะยังสมบูรณ์อยู่ร่างกายก็ชื่อว่าแตกตับไปแล้วลมหายใจมีความสำคัญอย่างนี้เป็นเรื่องของชีวิตอย่างนี้ หากว่าบุคคลมีสติระลึกรู้ลมหายใจโดยนัยะดังกล่าวความสงบความประนีตก็บังเกิดขึ้นและผลในข้อต่อมาทรงแสดงว่ามีความเยือกเย็นโดยไม่จำเป็นจะต้องลดด้วยน้ำทั้งนี้เป็นพระพุทธดำรัสที่ตรัสโดยทานองเปรียบเทียบไปเห็นว่าความเย็นที่จะบังเกิดขึ้นแก่ร่างกายของบุคคลนั้นก็อาศัยน้าอาบ แต่ว่าจิตใจจะมีความเยือกเย็นขึ้นมานั้นไม่จำเป็นจะต้องมีน้ำเช่นนั้นแต่ถ้าอาศัยน้ำคือธรรมะโดยเฉพาะในที่นี้คืออนาปานสติกรมาฐานเป็นเครื่องเจริญเป็นเครื่องภาวนาแล้วความเยือกเจ็นก็จะปรากฏขึ้นภายในจิตใจของบุคคลทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่ากุศลและธรรม กับอกุศนลนธรรมนั้นมีสภาวะที่ตรงกันข้ามด้วยประการทั้งปวงอย่างที่ทรงแสดงอุปมาว่าเหมือนฝั่งแม่น้ำคนเราฝั่งกันหรือเหมือนพื้นดินกับท้องฟ้าไม่มีโอกาสที่จะบรรจบกันได้เลยกิเลสมีลักษณะร่าเรอนแผดเผาขอให้เกิดความกระวนกระวายกระสับกระส่ายไปตามอำนาจของกิเลสล่านั้น แต่กุศลละธรรมคือสมาธิความสงบที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญเพียร เ, เจริญอาณาปานสติกรรมฐานนี้จึงมีลักษณะที่ตรงกันข้ามคือมีความสงบ ม, มีความประนีตมีความเยือกเย็นมีความสะอาดปรากฏขึ้นภายในจิตของบุคคลและข้อต่อไปนั้นทรงใช้คำว่า อำนวยความสุขให้เกิดขึ้นหรือทำให้บุคคลเหล่านั้นอยู่เป็นสุขข้อนี้ในชั้นทั่วๆไปไม่จำเป็นจะต้องมีพิธีรีตองมากนักก็ตามเช่นว่าเกิดกระทบอารมณ์ภายนอกเข้าแล้วบุคคลเจริญอาณาปานสติคือหันมากำหนดลมเสียไม่ใส่ใจไม่ปรุงคิดไม่คิดปรุงถึง อารมณ์เหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์ที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกิเลสข้อใดข้อหนึ่งขึ้นมาก็จะทำให้บุคคลผู้นั้นอยู่เป็นสุขในปัจจุบันความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันนั้นเป็นผลเบื้องต้นแต่ว่าผลที่สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติในอาณาปานสติกรมฐานนั้น ได้ทรงแสดงแก่พระอานนทถระไว้ในตอนหนึ่งเป็นใจความว่าดูก่อนอานนทธรรมอันหนึ่งที่บุคคลอบรมกระทํามั้มากแล้วย่อมทําธรรมะสี่ประการให้บังเกิดขึ้นธรรมะสประการนั้นบุคคลอบรมกระทํามัยมากแล้วย่อมทําธรรมะเจประการให้บังเกิดขึ้น ธรรมะ7ประการที่บุคคลอบรมกระทามไมมากแล้วย่อมทำธรรมะสองประการให้บังเกิดขึ้นแล้วทรงเฉลยว่าธรรมะหนึ่งนั้นคืออะไรทรงแสดงว่าได้แก่อานาปานสติกรมฐานที่บุคคลอบรมกระทามไมมากแล้วย่อมทำสติปัฏฐานทั้ง4ประการให้บังเกิดขึ้นซึ่งหมายความว่าแม้จะทรงแสดง สติปัฏฐานไว้ถึง4ประการด้วยกันก็ตามแต่ว่าในชั้นของการปฏิบัติแล้วเมื่อเริ่มต้นที่อานาปานสติกรรมฐ า, านในช่วงแรกจะเป็นการศึกษาเรื่องกายของตนแต่เมื่อความประณีตปรากฏขึ้นภายในจิตใจความสุขความปีติจะบังเกิดขึ้นภายในจิตของบุคคล ในขณะนั้นก็ไปกำหนดรู้ที่ความสุขที่ปีติเป็นต้นตอนนี้ก็กลายเป็นการเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานและเมื่อกาหนดระลึกรู้ที่ความสุขและปีติเป็นต้นแล้วก็จะดูสภาพจิตของตนที่เป็นไปในขณะนั้นๆเช่นมีความสงบบ้างมีความประนีต บ, บ้างมีความสายไปบ้าง ตามระลึกรู้ดูจิตของตนอยู่ในช่วงนั้นก็กลายเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานต่อแต่นั้นก็จะสำเนีกถึงธรรมะที่ปรากฏแก่จิตของตนด้วยผลของการเจริญอนาปานาสติมาโดยอนาปานาสติกรรมฐานมาโดยดําดับก<ๆ>็จะกลายเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานไปดังนั้นในพระสูตรบางพระสูตรเช่นอนาปานาสติสูตรนั้น จะทรงแสดงโยงไปโดยลำดับซึ่งหมายความว่าเริ่มต้นจากอนาปานสติเท่านั้นแต่จะเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องของกายเวทนาจิตธรรมตามลาดับและธรรมะทั้งสประการคือสติปัฏฐานทั้ง4ประการเหล่านี้ที่บุคคลอบรมกระทาให้มากแล้วก็จะเป็นการสร้างพุทชง ซึ่งเป็นองค์รมเครื่องศัตรูเจ็ดรประการให้บังเกิดขึ้นและเมื่อพุทชงเจ็ประการได้รับการประปฏิบัติโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้วผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจึงมีอยู่สองประการที่ทรงใช้คำว่าวิชาและวิมุตติคำว่าวิชานั้นเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากการที่บุคคลปฏิบัติให้สมบูรณ์ในธรรมะดังที่ได้กล่าวแล้ว ตัววิชาคือความรู้เมื่อบังเกิดขึ้นแล้วก็ทําหน้าที่ขจัดตัวอวิชาคือความไม่รู้อันเป็นรากง่าวของกิเลสทั้งมวลออกไปจากจิตใจเมื่อตัววิชาถูกขจัดออกไปกิเลสที่มีชื่ออย่างไรก็ตามก็ชื่อว่าถูกขจัดออกไปด้วยพอเป็นวิชาเสร็จแล้วจิตก็จะวิมุตต์หลุดพ้นจากเพลิงกิเลสเป็นเบื้องตน้น และหลุดพ้นจากความทุกข์ติดตามมาจุดหมายปลายทางในพระพุทธศาสนาก็ชื่อว่าได้บรรลุถึงแล้วด้วยการประพฤติธปฏิบัติที่เริ่มต้นมาจากอนาปานาสติกรรมฐานอย่างนี้เพราะฉะนั้นการอยู่เป็นสุขที่ทรงแสดงไว้นั้นจึงเป็นความสุขที่บุคคลสามารถสัมผัสได้ในขั้นนั้นๆด้วยการปฏิบัติของตน แม้เพียงความสงบที่เกิดขึ้นจากการตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นความสุขก็จะบังเกิดขึ้นแล้วและยิ่งปฏิบัติได้คืบคลานต่อไปปริมาณของความสุขก็เพิ่มขึ้นจนถึงเป็นบร ม, มสุขอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่านิ บ, บานังปรมังสุ ข, ขังนิพานเป็นบร ม, มสุขอย่างนี้ และในข้อที่ห้านั้นทรงแสดงว่าสามารถขจัดบา ป, ปรธรรมอกุศนธรรมที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆั้นให้ตกไปจากจิตของตนบรรดาบาปบรรดาอากุศนนั้นไม่ใช่แก่เกิดขึ้นได้ ล, ยลอยแต่จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยเหตุด้วยปัจจัยมาประกอบกันเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดนั้น ก็ต้องเป็นเหตุปัจจัยผสมคือมาจากภายนอกบ้างและมีเชื้ออยู่ภายในบ้างถ้าเชื้อทั้งสองประการนี้หรือปัจจัยทั้งสองประการนี้มีอยู่อากุศ์ต่างๆก็จะบังเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าขาดเชื้อไปสักด้านหนึ่งอากุศ์ก็ไม่อาจที่จะเกิดขึ้นได้แม้อากุศ์ก็สำนองนั้นดังนั้นเมื่อบุคคลมีสติมีสัมัญญะ ระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกของตนสตินั้นมีหน้าที่อยู่อย่างหนึ่งคือปิดกั้นกระแสะแห่งอกุศลซึ่งเปรียบเหมือนกับยามรักษาการสถานที่ราชการต่างๆยามจะต้องรู้ว่าใครควรจะปล่อยให้เข้าไปหรือไม่ควรจะปล่อยให้เข้าไปบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่มีสิทธิที่จะเข้าไป เข้าไปแล้วจะทําความเดือดร้อนให้แก่สถานที่นั้นๆก็ไม่ปล่อยเข้าไปสติมีลักษณะอย่างนั้นจึงทรงสแสดงว่าสติเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องสกัดกั้นกระแสะแห่งกิเลสเอาไว้เมื่อสติเป็นหลักอยู่ที่จิตใจเช่นนี้เวลาอากุศลและธรรมมีเข้า ว, ว่าจะเกิดขึ้นสติก็ปิดกั้นเอาไว้และจะตัดกระแสะแห่งกิเลสเหล่านั้น ด้วยปัญญาของตนอย่างที่พระนาคเษนเถระได้อุปมาการทำงานของสติและสามปัญญะที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันว่าสติเปรียบเหมือนการรวบเอารวงข้าวมาไว้ปัญญานั้นเปรียบเหมือนเคียวที่ตัดข้าวเพราะฉะนั้นเมื่อสติระลึกได้ว่าอารมณ์เหล่านั้นเป็นอกุศลกาลังจะเ ก, กิดขึ้น ก็รวบอกุศลนั้นมาไว้แล้วจะทําหน้าที่ตัดกระแสแห่งอกุศลเหล่านั้นด้วยปัญญานี่เป็นผลที่บุคคลจะสัมผัสได้ในชั้นหนึ่งว่าสตา์ใดที่ใจ ย, ยังมีความส ง, งบอยู่กับลมหายใจเข้าออกธรรมะทั้งสองประการนี้จะทําหน้าที่ปิดกั้นและตัดกระแสแห่งกิเลสมาให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจและในชั้นหนึ่งนั้น เป็นเรื่องของปฏิกิริยาที่ตีกลับออกไปทานองเดียวกับใบมะนกักหยดน้ำที่ตกลงบนใบบัวใบบัวนั้นมีลักษณะเป็นมันลื่นไหลน้ำที่ตกลงไปไม่อาจที่จะแทรกซึมเข้าไปในใบบัวได้จิตที่สงบอยู่ด้วยธรรมะมีลักษณะอย่างนั้นธรรมะจะทำหน้าที่คุ้มครองรักษาจิตของบุคคลเอาไว้ แม้อาุศลจะบังเกิดขึ้นหรือจะตกลงมาที่จิตของตนแต่ก็จะกลิ่งกลับไปคือไม่อาจที่จะยั่งลงสู่จิตใจของบุคคลได้ข้อนี้ถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับฝ่ามือของบุคคลที่ไม่มีแผลอะไรสามารถที่จะจับยาพิษได้เพราะยาพิษไม่อาจที่จะซึมเข้าไปสู่ฝ่ามือที่ไม่มีแผลได้ฉันใด จิตใจของบุคคลที่มีความสงบอยู่ด้วยอานาปานสติกรรมฐานก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคือจะมีปฏิกิริยาโต้กลับต่อกิเลส ท, ที่บางเกิดขึ้นจาบใดที่ยังมีความสงบอยู่แต่ถ้าหากว่าความสงบเกิดเปลี่ยนแปลงไปก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งตัวการที่สําคัญที่สุดซึ่งจะก่อให้เกิดผล เชื อ, อานิสงอย่างที่ทรงแสดงเอาไว้ผู้ศึกษาปฏิบัติจะต้องไม่ลืมในข้อที่ว่าภาวิตาภูรีกตาคือต้องอบรมและต้องกระทาให้มากคำว่าอบนั้นให้สังเกตว่าเป็นอาการกริยาที่ทำสิ่งซึ่งมีความหอมให้จับติดอยู่ในสิ่งนั้นเช่นการทำน้ำอบน้ำหอมเป็นต้น รมก็คือการทำให้ติดแน่นอยู่เช่นว่ามีการพระรมดำเป็นต้นจะทำให้สีนั้นติดอยู่ที่พระพุทธปฏิมาเพระาะฉะนั้นการอบรมจึงเป็นการทำความดีความหอมความงามให้ติดอยู่ที่จิตใจของบุคคล น, นั่นเองแต่ว่ากว่าจะติดได้กว่าจะเกิดผลเช่นนั้นได้ก็ต้องมีการกระทาให้มาก และมีการกระทำบ่อยๆซึ่งจำเป็นจะต้องอาศัยความพเพียรพยายามในชั้นของการประพฤติปฏิบัติอย่างที่ทรงแสดงไปว่าบุคคลจะต้ตองปลูกฝังความพอใจในอาณาปานสติกมฐานหรือในกุศลธรรมเหล่าอื่นก็เหมือนกันชั้นแรกนั้นจะต้องปลูกฝังความพอใจในธรรมข้อนี้ และเมื่อปลุกฝังความพอใจแล้วจะต้องมีความพยายามเพื่อให้ตนได้สัมผัสผลดังที่กล่าวมาแล้วคือมีความสงบมีความประนีตมีความเยือกเย็นปรากฏขึ้นภายในจิตใจเพื่อช่วยให้ตนสามารถสัมผัสความสุขและจิตมีปฏิกิริยาโตอตอบต่ออกุศลในลักษณะที่ ไม่ให้เข้ามาครอบงำจิตใจได้ความพยายามที่บุคคลลมือประพฤติปฏิบัตินั้นไม่จำเป็นจะต้องไปเล็งผลเลิศอะไรเพราะในชั้นของการกระทำแล้วการกระทาเป็นเรื่องของบุคคลแต่การจะให้ผลเมื่อไหร่นั้นเป็นเรื่องของกรรมคือการกระทำเหล่านั้นเช่นเดียวกับการปลูกพืชมีชนิดต่าง ลงไปในดินหน้าที่ของบุคคลก็คือปลูกพืชรดน้ำพรวนดินใส่ปุย๋ยไปตามหน้าที่ส่วนจะแตกกิ่งก้านสาขาออกดอกออกผลเมื่อไรนั้นเป็นเรื่องของต้นไม้ตามชนิดแห่งต้นไม้นั้นบางครั้งอาจจะออกผลเร็วบางครั้งอาจจะออกผลชา้าแต่ถึงคราวหนึ่งผลจะต้องบังเกิดขึ้นในทํานองตรงกันข้ามถึงแม้ว่า บุคคลจะเร่งรัดขอร้องต้องการให้เกิดผลแต่ถ้ายังไม่ถึงคราวจะออกผลก็ไม่อาจที่จะออกผลมาได้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงเป็นอุปมาว่าการไถานาการบานข้าวการดำกล้าการทดน้ำข้าวนาและไข้น้ำข้าวนานั้นเป็นหน้าที่ของชาวนาแต่ว่าชาวนาไม่มีสิทธิไม่มีอานาจ ในการที่จะกระเกณให้กล้าซึ่งตนได้ดำลงไปในนาตั้งทองออกรวงสุกตามที่ตนต้องการได้แต่เมื่อถึงการเวลาแล้วกล้านั้นก็จะตั้งทองออกรวงและสุกตามชนิดตามประเภทของตนสิ่งที่น่าเป็นขววงอย่างยิ่งในชั้นของเรื่องอานิสงส์ก็คือว่า เวลาปฏิบัติไปแล้วมักจะอยากอย่างนั้นมักจะอยากอย่างนี้เพื่อให้เกิดผลตามที่ตนต้องการเช่นอยากเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้หลับตาภาวนาไปเมื่อไม่เห็นก็บ่นว่าไม่เห็นอะไรก็หลับตาแล้วก็ไม่ต้องการจะเห็นแต่ถ้าเกิดอยากเห็นก็เป็นนิวรนข้อความฉันขึ้นมาให้โปรดสังเกตว่าความอยากที่ปรากฏขึ้นนั้นมันเป็นนิวร เมื่อเป็นนิวรณ์ก็เป็นเครื่องกั้นจิตของตนเอาไว้ไม่ให้มีความสงบไม่ให้มีความประีตไม่มีความเยือกเย็นไม่ให้ตนอยู่เป็นสุขในขณะนั้นนั้นแล้วผลที่ทรงแสดงเอาไว้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรหลักการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาตัวการสำคัญที่สุดก็คือว่าเหตุบุคคลจะต้องปฏิบัติอย่างไร ก็ให้ปฏิบัติในส่วนเหตุเหล่านั้นส่วนผลจะเกิดขึ้นเมื่อไรนั้นเป็นเรื่องความสมบูรณ์ของเหตุเมื่อเหตุสมบูรณ์แล้วผลจะต้องสมบูรณ์และผลที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่ขัดแย้งกับเหตุที่บุคคลประกอบไม่ว่าในการใดๆหรือในเรื่องอะไรก็ตามต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทาความสงบสืบต่อไป